ทำกันได้เพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติก็อยากบอกอยากขี้อยากนําถ้าไม่ทําเช่นนี้มันก็ผิดพลาคของเราเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติเราก็มาปฏิบัติกันแล้วเข้าสายตรงๆมามีสติรู้สึกระดึกได้ ก็ายเสลื่อนไหวเอากายมาเป็นนิมิตเป็นที่ตั้งเบื้องต้นมีสติไปในกายจะหาเหตุหาผลต่างๆ ไ, ไปเอาความชอบความไม่ชอบมันเนิ่นช้าไปเอาความผิดความถูกมันก็ชาสิแล้วไปวความสุขความทุกข์มันก็ชาไปแล้วเราจึะมารู้อะไรก็ตาม รู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็จะเจอความหลงสิ่งที่เราศึกษาไม่ได้ขบคิดใช้สมองอะไรแล้วก็ไม่เลยไปซอกค้นที่ไหนมันมีอยู่แล้วเหมือนลมีตาลื่นขึ้นได้เลยอยากดูเลยแล้าลืน่นก็แล้วต้องเห็นติเป็นดวงตาภายในของเรา อรู้สึกตัวก็เห็นเห็นอะไรเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเอาให้เป็นที่ตั้งไว้เบื้องต้นแล้วเห็นกายเคลื่อนไหวบางทีมันไม่เห็นกายมันความคิดความหลงเชือ่อโซนเข้ามาก็เห็นมันอีกเห็นความหลงก็กลับมาหาความรู้สึกตัวมาตั้งไว้ที่กายเอ้ากายเป็นดิมิตรเคลื่อนไหวเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัว เราไปคิดเอาความรู้สึกตัวไปเป็นความคิดเอาเหตุเอาผลมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกตัวเป็นนี้ไม่ใช่ให้มันรุนดุนกนก น, น, นตรงๆรงก็พ อ, อ, อเห็นความหลงเห็นความรู้อยู่อย่างนี้มันมีหลงก็มีรู้มันตรงกันข้ามในชีวิตของเราไม่ว่าอะไรก็ตามมันมีตรงกันข้าม ในกายในใจมันหลงไม่หลงก็ได้มันสุขไม่สุขก็ได้มันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้มันผิดไม่ผิดก็ได้มันถูกไม่ถูกก็ได้มีสภาวะที่รู้เนี่ยเข้าไปเฉลยเสียก่อนแล้เข้าไปถึงความพอใจความไม่พอใจความชอบความไม่ชอบให้เห็นธรรมอยู่เนืองๆเห็นธรรมคือเห็นอะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นเมอเรามีสติ รู้จึงตัวสัมผัส ด, ดูเอากายไปต่อกับสติเอาจติตไปต่อกับป่าให้มันคุ้นเคยให้มันจำนี้จำนานหัดตนสอนตนไปต่อเวลามันเคลื่อนไหวก็พยายามที่จะรู้เพิ่มทำเข้าไปบางทีมันหลงหรือว่าไม่ใช่ทำแต่เพิ่มทำว่าไปขนาดที่มันหลง มีประโยชน์มากแว่ามันหลงรู้สึกตัวเนี่ยมีประโยชน์ประสบการณ์อย่างดีอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับปากกับใจถ้าไม่ใช่ความรู้ให้ความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องมันจะมีประสบการณ์จึงจะรู้จักเลือกจึงจะชี้ผิด ช, ชี้ถูกเจ้ตัวเองเลเป็นความเป็นธรรมเตัวเองน่ เราจะมาศึกษาเรื่องนี้ให้มันเข้าสายตรงๆมันมีความหลงควมรู้จริงๆมันมีสุขมีทุกข์จริงๆมันมีความพอใจความไม่พอใจจริงๆมีเหตุมีผลทุกคนมีสติปัญญากันทุกคนเนั่นเป็นเรื่องต่างๆเราก็เต็มไปแล้วสมองปัญญาเราก็รู้หาคําตอบจากความคิดได้เสมอ ความผิดความถูกจากความคิดเอาความสุขความทุกข์จากความคิดอะไรที่มันคิดขึ้นมาอะไรที่มันแสดงออกต่างกายเป็นไปตามมันทั้งหมดไม่ได้เราจึงมารู้ไปก่อนรู้ไปก่อนเหลือนี่เรามีการบ้านแต่น้อยก็ต้องมีความหลงความสุขความทุกข์อะไรต่างๆมากมายเฉยไปไหนล้วต้องรีบด่วนสัหน่อย ขอท้าตายดานีโดยพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสิทัตถะเห็นเกิดเจ็เจ็บตายเป็นการบ้านของพระองค์ไม่มีใครตอบได้ท่ามายก่อนพระเจ้ทาทรัสรู้สิทธัตถะถามว่าเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าต า, า, า, าพระเจ้ายายตอบไม่ได้เลยยิงเป็นการบ้านของพระองค์พราะโป่งประกาศแล้วว่าตั้งแต่วันปฏิสูต ข้าพเจ้าจะประเสริฐที่สุดในโลกจะประเสริฐที่สุดในโลกจะเป็นหนึ่งในโลกที่เดียวพราะทนเนี่มันเป็นการรับผิดชอบแ น, นี้เราก็มีอยู่แล้วอความหลงเนี่ยเราจะต้องหลงกันตายหรือความทุกข์เราต้องทุกข์จนตายหรือความโกรธเราต้องโกรธันตายหรือไม่รับผิดชอบบ้างเลยตรงนี้นทําไมจึงปล่อยตัวอเองไปนะ่ะเสียเปรียบความทุกข์เสียเปรียบความโกรธเสียเปลี่ยนความลาหลงเท่าไหร่แล้ว มันไม่ได้ขนาดถี่ถ้าจ่องมองตนมันข้างเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่เมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายแน่นอนที่สุดงองอย่างนี้นบอเราพปศึกษาดูก็เห็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเวลาเราหลงรู้สึกตัวนะยกตนหลกกับความหลงให้ตปนถ้าทําตรงนี้ไม่เป็น ก็ไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่พุทธศาสนาศาสนาก็รู้จกยกตังนี้มันโกดไม่โกด ร, รู้จกตัวมันทุกไม่ทุกเนี่ยเริ่มทนหรอเริ่มเห็นทางะแต่อย่าไปอยู่กับความทุกข์ความหลงความหมกมุ่นกุิตเสียเวลามาลู้เสียก่อนลู่เสีย ก, ก่อนอะไรที่มันเป็นความรู้จักตัวที่ไม่ใช่ความรู้จกตัวเอามาเป็นบทเรียนนั่หมด หมอเกิดความรู้สึกตัวเนะจนนี้ตกตาแล้วมันหลงรู้ทาเป็นแล้วที่แรกก็หัดหัดอาศรรัยนิมิตคือกายเคลื่อนไหวพอทำไปทําไปไม่ต้องอาศรรัยนิมิตก็ได้เพราะมันหลงรู้สึกตัวเพราะมันโกรธรู้สึกตัวเพราะมันทุกรู้สึกตัวมันพอใจมันไม่พอใจรู้สึกตัวถ้ามันเป็นแล้วทําให้มันเป็นไม่ใช่ความรู้นะเรื่องเนี้ยนะเรื่องนี้ไม่ใช่ความรู้ ความรู้เป็นต้องสอนพวกท่านทั้งหลายมีความรู้มาแล้วจบมาแล้วในเฉลติปัญญาเป็นไปเจ้าเราที่ทํางานทําการนี่อันนี้ไม่ใช่ความรู้เป็นการก็ทําให้เป็นเป็นการทําให้เป็นอย่างนี้ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเองเมื่อหลงรู้สึกตัวกําเป็นมันทุกข์รู้สึกตัวมันโกรธรู้สึกตัวอะไรก็ตามรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปมันจะ เป็นเมื่อมันเป็นแล้วมันลืมไม่เป็นเรื่องเนี่ยเพราะมันได้บทเรียนที่ดีเท่นความหลงไม่จริงความไม่หลงความรู้สึกตัวจริงกว่าความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมกว่าความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมถูกต้องกว่าความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมถูกต้องกว่ามีความไม่ธรรมเกิดขึ้นจะหรอกเป็นธรรมมาเทวยบไตเป็นธรรมมาเทียบแต่ยะ เกิดขึ้นแล้วในตัวโลกเห็นก็เสดไม่ใช่มืดความหลงเพื่อเกิดความรู้เจอก่อนความหลงเกิดความหลงความทุกข์เกิดควาทุกข์ความทุกข์เกิดสร้างความทุกข์เลยป่นพอมหัดมาปฏิบัติปฏีคือกลับทักท้วงกลับมาปฏิบัติมันก็ควรละทารพอมันหลงรู้พอมันทุกข์รู้ความหลงทำให้เกิดความรู้ความทุกข์ทำให้เกิดความรู้ มันจะเป็นแบเห็นกระแสเห็นทิศทางพอเห็นกายเห็นกายไปนะเราดูกายเคลื่อนไหวไปมาเห็นไปเห็นไปทีแรกก็เป็นตัวกันตนสอนพัดอย่างเกิดกับกายปวดขาปวดแชนข่วงเหงาหอนอนเป็นอ่าร้อนเป็นหนาะหิวข้าวปวดมวยมันไปหมดเลยไว้เป็นตัวเป็นตนกับกายไปหมดเลยกายสามารถพาให้เราทําพาเราคิดพาเรา รู้สึกไหวกับมันไปเลยถตาล้องคือกูหนาวคือกูปวดคือกูอะไรก็กูทั้งหมดเลยเป็นพบเป็นชาติอยู่ในกายหลงอยู่ในกายวันนี้มารู้สึกตัวนะจนเห็นแล้วเห็นอีกกายสภาวะกายไม่ใช่จัตุกคนตัวตนเราเขาเอา้าวพอเห็นไปมันก็เป็นอย่างนีกนะ้กายสภาวากายไม่ใช่จัตุคนตัวตนเราเขา แตวก่อนี่กลายเป็นตัวเป็นตนเป็นพวกเป็นชาติอะไรที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยเป็นพวกภูมิต่างๆนะ่ะงู้ก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีอันสุขอันทุกข์ที่เกิดกับกา ย, ยมันไม่ใช่มันต้องเป็นปัญญากายสภาวะกายไม่ใช่จัตุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยมาเคลื่อน ไ, วไหวประมาณเลยอะไรที่มันเกิดกับกายเราก็รู้เวชนะ เป็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นกับกายนั่งนั่งก็ปวดขาหล่อแข็หวังคนไมาเคยนั่งสิบนานทีก็ไม่เคยนั่งสิบนานทียี่สิบนานทีไม่เคยนั่งเรา จ, จะไม่ดูจักทนตอนนด้เพราะอะไรที่มันเกิดกับกาก็เป็นไปตามนันโอ้ยปวดโอ้ยหนือยอะไรไปเลยพอเห็นเวทนาที่มันสวขนทุทนกข์เวทนาสัพเเวทนาไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเ ก็ไม่หลงตัวไหนสักคิดที่มันคิดจิตใจที่มันคิดไปนั่งอยู่นี่อยู่ป่าสุกโตนี่แต่เกี่ยมันคิดไปที่ไหนแต่ก่อนถ้ามันคิดอะไรก็เป็นไปตามมันมันขยันก็ททำตามความขยันมันขี้เกียจว่าทำตามความขี้เกียจไปกับคิดทั้งหมดเลยมันสุขไปสุขไปตามความสุขที่เกิดจากความคิดมันทุกข์ก็เกิดความทุข ที่เกิดจาก ค, ความคิดผู้คิดสักว่าจิตก็สักว่าจิ ต, มจตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็เฉลุยตรงนี้ไม่หลงตรงนี้เหมือนด่านที่มันเคยกับขังเราเสียเวลาตรงนี้มากเป็นสุขเป็นทุกข์กับไปายกับเวนากับจิตตลอดต้องไปเห็นทำทำคือ คุ้มรายคมดีวางทีก็ดีเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาสงบล่มเย็นสบายนั่งอบยิ้มตลอดเวลาบางทีก็เป็นอน่ายทำควมโมงหงอนนอนความคิดฟ่้งซ่านลังเลยสงสัยเกิดความขํามขียดเบื่อได้อันนี้ก็เป็นธรรมที่เกิดขึ้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวใช่ตน สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราบางทีเเราไม่รู้เอาความโกรธเป็นกูเอาความสุขเป็นกูเอาความทุกข์เป็นกูทำมันเป็น่นแรลดเป็นกุศลคือความสิเดียวฉลาดว่ามีเหมือนกันปฏิบัติไปมันอิม่มโอม่อีมใจปิติปสิทิน้ำตาล่วงน้ำตาไหลเดินไปเบากายเบาใจนี่ก็เป็นกุศลอย่าไปหลงมามีสติเห็น อย่าเข้าไปเป็นเป็นไปกับการเป็นไปกับเวทนาเป็นไปกับคิดเป็นไปกับธรรมที่เป็นกุศลลอยส่วนต้องเห็นเถ้ามันเห็นอย่าง น, นี้มันเปลี่ยนอย่าง น, นี้มันก็รู้จักเปลี่ยนถ้าเป็นเราอยู่ในห้องน้ําขึ้นฟังนนฟ่งเป็นขึ้นฝั่งเป็นเวลามันสุขเหมือนกับอยู่ในน้ําขึ้นบนบกง่สุขกว่าใดเห็นมันสุขเวลามันทุกข์เห็นมันทุกข์ ไม่ใช่เป็นผู้ทุกเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่ใช่เป็นผู้หลงเวลามันเกิดผิดเห็นมันผิดไม่ใช่เป็นผู้ผิดเวลามันเกิดถูกเห็นมันถูกเวลามันสงบเห็นมันสงบไม่ใช่เป็นผู้สงบเวลามันผู้ฟุ้งซ่านเห็นมันพู้ฟุ้งซ่านไม่ใช่เป็นผู้ผุ่งซ่านนี่ลักษณะของการปฏิบัติหรือ่ปฏิบัติโต้ตอบชักท้วงไม่เป็นไปกับมันเมื่อมันชานานตรงนี้แล้วมันก็จะเห็น มันจะรู้จากทิศทางเริ่มต้นจากการลื้อถอนตัวตนที่มันเคยถุกกระทุกกับกายกับใจออกไปค่อยเบาบองจางคายไปเกิดศินสมาธิปัญญาขึ้นมาจนมาเห็นรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นหลักสูตรที่มันได้หลักเหมือ น, นกระโหลศึกษาในหลักสูตรเอาไปให้บันแตกแขนในหลักสูตรนี้่ะ เต้นสูตรคูณเนะี่ยสองห้าก็เป็นสิบสองห้าเป็นสิบไม่ใช่คาพูดเช่นี้มันแตกฉานไปอีกหลายอย่างสองห้าเป็นเก้ามัไม่ถูกสอห้าเป็นสิบเอ็ดก็ไม่ถูกเพราะอะไรใครเป็นผูต้ตอบเราตอบเองควบหลงก็บควมรู้สึกตัวถามใครไปอะไรมันถูกต้องไม่มีคําถามนีม้เทค่คาําตอบคงถมสุขควมทุกถูกท้องไหม เห็นมันสุกมันทุกขถูกต้องมอยสัมผัสเราสัมผัสเราเมื่อมันลื่นถอนไปอย่แลนี้เราเรก็ค่อยจางคายไปจางคายไปเป็นที่เป็นทางไปกระเสเป็นกระเสไปเมื่อหลงมันมีความรู้อยู่ไปหลงจะไงมีความรู้อยู่ไม่จนตรงไี้เมื่อมันโกรธอ้ามันมีความไม่โกรธอยู่ก็ไม่จนไปกับของโกรธเมื่อมันทุกข์ มันก็มีความไม่ทุกข์อยู่นะไม่จนมันเกิดความทุกข์มันก็ข้ามไปข้ามไปข้ามไปมันก็เป็นไปเพื่อความหลับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปฏิพานได้เอากระแสไปจากนีเป็นกระแสไปมันต้องได้กระแสพุทธเจริญตัวตนะ่ไม่ใช่มืดตลอดไะถ้าดูดีๆนะจึงมาดูลองหลวศึกษาจะไปเชื่อขยันจะไปเชื่อขยันสัมผัสความรู้ ความรู้สึกตัวเนี่ยก็ไม่ได้ขอไม่ได้ถามกันเห็นเราเมือวางไว้บนเขาเดี๋ยวนึนมือเราอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เนี่ยไม่มีคําถามคนอื่นจะว่ามือเราอยู่ที่อื่นมันก็ไม่เชื่อพลิกมือขึ้นเราก็รู้นะไม่มีคําถามมีแต่คําตอบตัวเองตอบออเองยกขึ้นก็รู้วางลงก็รู้วอมลงก็รู้หัดถ้ามันเคยอตัวเนี้ํนานาในกองรู้ไปในการเอากายเป็นสะพานสร้างกองรู้จากตัว เมื่อเราเขียนหนังสือหัดเขียนกอไก่ปฐมก็ตามบรรทัดไปก่อนเขียนตามบรรทัดตาก็ดูในกระดานมือก็เขียนตารูกระดานมือก็เขียนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดูกระดานอาจจะไม่ต้องตา ม, ม, ไไ ม, ตมบรรทัดก็ได้ไม่เรางมีบรรทัดก็ได้ฮู้มันชำนาญการฝึกตนสอนตนิ้วกาดชำนาญได้ง่ายความรู้จึกตัวหน่อยแสดงว่ากลัวความหลง ถ้าดูโอ้โหคองหลงไม่ใช่ยากที่แรกก็ง่ายที่จะลงก็ศึกษาไปศึกษาไปง่ายที่จะรู้อะไรก็รู้ง่ายๆนะเป็นไปจริงๆ ก, การศึกษาไม่ฟรีหรอกไม่ฟ ร, ไฟรีไม่ต้องรอด้วยซ้าไปทันทีพลิกมือเครื่องก็รู้ทันทียกมือเครื่องก็รู้ทัน ท, นอน ท, นทีอะไรที่จะรู้อย่างนี้ไม่มีแล้วเป็นกรรมฐานเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธ ขี่ตายขี่เพ่นขี่ผิดที่ถูกได้หรือว่ากรร ม, มาฐานเป็นวิชาเอกหรือทางอันเอกของมนุษย์เราเราม า, าศาึกษาแล้วนี่ลองดูย่นในที่สุดมันไม่ใช่รู้สึกตัวเฉยอันเรามีความรู้สึกตัวมันเปิดตละมันละความชั่วเรามีความรู้สึกตัวอยู่มันก็ทำความดีเรามีความรู้สึกตัวอยู่ยจิตมันก็บริสุทธิ์ไปพร้อมกับตลอ อันละความชั่วกันทาง ด, ดุติจิตบริสุทธิ์คืออะไรก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาเป็นสร้างให้หมีขึ้นไม่ใช่ขอมันเป็นพวงความดีมันเป็นพ่อเป็นแม่ผวมรู้สึกตัวเป็นบิดามารดาของความดีความหลงตัวเป็นบิดามารดาของความชั่วเริ่มต้นจากความหลงความรู้มีเท่านี้ชีวิตของเราแลมาลู่อยู่หนึ่งวัน ต่อกันสองวันสามวันเจ็ดวันลองดูซิให้เต็มที่ให้สุดฝีมือเราเน่ะมันก็เป็นไปจนๆพลิกมือขึ้นสิบสี่จังหวะหนึ่งลูกสองลูกสองลูกสี่ลูกห้าลูกหลูกเจ็ดลู่แปดลูเก้าลู่สิบลูกสิบเอ็ดลูกสิบสองลูกสิบสามลูกสิบสี่ลูกวินาที่หนึ่งเตกเตกเตก สต่14วินาที14วินาทีได้14ลูกอะไรยะยอดเยี่ยมศักดิ์สิทธิ์เหมือนเรื่องนี้ทําไมเราเจะละสะสิทธิ์ของเราหลงเท่าไหร่นานเท่าไหร่เราหลงอยู่นะอยู่กับความหลงเท่าไหร่อาจจะมากกว่าความรู้สึกตัวแเราทาไปท่องเที่ยวไปแม่มีจิตใจก็เพิ่งไม่ได้ข่มร้ายคามดีผู้ผู้แพร่แพร่ ถ้าหัดต้นสอนต้นดีมันจะมั่นกงไม่ต้องผูดต้องเแผลมันเคยจิตมันเคยจินมาใช้มิจฉนาลอันความเกิดเจ็เจ็บตายมันก็เห็นนะไม่มีใครเกิดไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายมิจะเห็นเช่นเห็นมันเจ็บไม่ใช่เป็นผู้เจ็บมันต่างกันกับเป็นผู้เจ็บไหมเห็นมันหิวข้าวหรือเป็นผู้หิวข้าวมันจะต่างกันไป เราเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิวเราเป็นผู้โกรธหรือเห็นมันโกรธเราเป็นผู้ทุกข์หรือเห็นมันทุกข์ดูดีๆนะส่วนมากเราจะเข้าไปเป็นอันนี้ภพชาติถ้าเห็นเราก็เหนือภพเหนือชาติอันตัวภพชาติที่มันจบเป็นสังขารมันจบเป็นมันเป็นวิสังขารเดี๋ยวนี้มันมีการผู้ผูวแพร่แพร่ไปไหผู้ผัวแพ่กมลอยคมดีบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจนี่เป็นสังขาร ปุญญาพิสังขารคือดีใจปุญญาพิสังขารก็เสียจยอะเนินชาที่สังขารยังไม่ดีใจยังไม่เฉยใจอันนี้อย่าไปเชื่อมันบางทีเราปกติอยู่บางทีมีอะไรก็ดปุ๊บไปเลยให้ยหัดให้มันหมดพิษหมดภยัยเป็นวิสังขารวิสังขารคือนิพพานไม่เช่ตาไม่ตรงไม่แต่เคยโกรธไม่โกรธเคยทุกข์ไม่ทุกข์เป็นทุกข์เพราะความแก่ียดจะไม่มี เป็นทุกข์พวกผมจ็บจะไม่มีเป็นทุกข์พวกผมท่าจะไม่มีเป็นการบ้านของเราเล้าหนีไม่พ้นเราเนะี่ยนี่แหละศิษฐ์ธรออกศึกษาคนค้ดได้คนะําตอบเราเนจังหวัชาติสิ้นแล้วพมว่าจันท์อยู่จบแล้วจิตอื่นไม่มีอีกแล้วมันก็จบเป็นนะเพราะท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบได้ทุกคนพระเจ้าจึงก็ตือรือร้นสอนคนที่นี่ขอรับผิดชอบลราเนี่ย เรืองเ อ, อืนเอาให้คนอื่นสอนเรื่องทมาสอนเรื่องตรงๆเข้าไปลมีกายอกกายมาทำรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปนะอันนี้เขาขอพูดแผนที่เขาเข้าไปต้องไปทางนี้ต้องไปแต่นี้อย่าไปทางนูน้นมันสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขถ้ามาันสุขเห็นมันสุขไปผิดทางแล้วถ้ามันทุกข์เห็นมันทุกข์ผิดทางไปแล้วถ้ามันสุขเห็นมันสุขมักแล้วมักขวิถีชีวิตแล้วไปแล้ว มั้นเราเหยียบทางที่ลุกลงหลังกับเหยียบทางที่ลุมมิดตะพงงามันก็ต่างกันเช่นสุขเหมือนกับลุกลงหลังด้วใจก็ผูผูขึ้นมันทุกข์ลุกลงหลังแล้วใจก็แฝงแฝงรถ้ามื่เห็นมันสุขมันทุกข์มันเลี้ยไปไม่กระทุกกระทือนเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เห็นมันสุขเห็นมันทุกข์ใจเราเสียเวลาเสียพลังงานกันลบ กาหัวเลาะลองให้มีความเหน็ดเหนื่อยเท่าๆกับดูเฉยๆโดยเฉพาะพวกเรานะี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สารสนุกเล่นกับพวกนี้ตลอดเวลาเราก็ไมไ่อยู่กับเดี่ยวเลยอยู่กับเพื่อนกับเม็ดกับทุบกับเตือนกันเขาเน้นทาเขาสา่นเสือนันเราหัดนะเราไม่ฝึ ก, กจิตใจเขาเขาเน้นทาเขาส่นเสรินไม่ใช่ไม่ใช่จิตอันนี้เป็นสังขารอย่าไปเชื่อมัน บางทีคนเราทาตามสังขารเมื่อมันโกรธก็ด่ากันเลยยึดว่าเป็นตัวเป็นตนถ้ากูได้โกรธเราตายก็ไม่เลือมถ้ากูได้โกรธกูไม่ยอมโกรธคร่าฟันข้าาคืนนีไหมหนึ่งขืนแล้วยังโกรธเพป่นจริงหรือความโกรธบางทีเราทําตามมันด่ากันไม่รู้จักายเลยพอหายโกรธหายคนเชื่อเปลี่ยนรออยากบอกว่าความหลงขั้งสุดท้าย ความโกรธเปั้ปงสุดท้ายความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายชีวิตอิสระภาพเป็นรือมิตรภาพของชีวิตมาตรฐานของชีวิตในที่สุดเป็นผู้เห็นไม่เป็นเวรไม่เป็นอะไรกับอะไรสุดยอดเราชีวิตเรา